เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ยังอยู่ในวัยที่สนุกสนานสดใสร่าเริงและไหลดึงสาซึ่งได้กระทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจนต้องได้พบเจอกับเรื่องราวที่น่าขนลุกโดยรู้เท่าไม่ถึงการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเรายังจำเรื่องราวนี้ได้เป็นอย่างดีเราเป็นเด็กต่างจังหวัด มีพี่สาวหนึ่งคนและน้องชายหนึ่งคนส่วนแม่ก็ทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพพวกเราเช่าหอพักอยู่ห้องเช่าเล็กๆมียายเจ้าของหอพักดูแลพวกเราอีกทีแกเป็นคนที่รักเด็กและใจเดียวมากๆเราเรียนที่โรงเรียนวัดไกลๆพอเลิกเรียนก็จะมีน้าวินมอเตอร์ไซค์คอยรับส่งเป็นประจำพอถึงที่หมายจะเป็นทางคอนกรีตเล็กๆนะ้าเขาก็จะพาเดินข้ามคลอง ระหว่างเดินไปก็ลุ้นไปด้วยกลัวที่จะตกน้ำพอเดินข้ามคลองมาแล้วบริเวณนี้จะมีหญ้าขึ้นรกหน่อยมีเศษขยะของเล่นที่ไม่ได้มากตรฐานและชำรุดถูกนํามาทิ้งไว้โดยโรงงานแถวนั้นจะมาขุดหลุมใหญ่แล้วเอาขยะของเล่นมาทิ้งเป็นกองเยอะมากๆพวกเราสามพี่น้องเดินผ่านเส้นทางนี้ทุกวันบางวันก็โชคดีเจอของเล่นที่ยังพอจะใช้งานได้อยู่ จึงนำกลับไปเล่นที่ห้องพักแทบจะไม่ต้องควักกระเป๋าสตางค์ซื้อของเล่นพวกตุ๊กตาเองเลยจนวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันศุกร์เราก็เดินมาเส้นทางเดิมน้องชายตัวแสบก็มองไปเห็นที่นอนเก่าซึ่งมีขนาดใหญ่มากน้องรีบวิ่งขึ้นไปกระโดดเหยียบเล่นเด้งดึงดังสนุกใหญ่เลยแล้วก็เรียกพวกเราให้ไปเล่นด้วยแต่พี่สาวคนโตปฏิเสธและได้ห้ามเอาไว้บอกว่าสุขปก เดี๋ยวจะเลอะเสื้อผ้าอาจโดนแม่ดุได้ตัวเรากับน้องนั้นกลัวพี่สาวตอนดุมากก็เลยหยุดที่จะเล่นที่นอนนั้นแล้วก็พากันกลับแต่พอดีว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เราก็เลยแอบนัดกับน้องว่าจะชวนกันมาแอบเล่นตรงที่นอนนั้นแล้วจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยซึ่งจุดที่มีคนเอาที่นอนเก่ามาทิ้งไว้ไม่ไกลจากห้องพักของเรามากนักแถวนั้นยังมีหอพักหญิงที่มีญาติพักอยู่ใกล้ๆด้วย และส่วนมากที่หอพักนั้นจะเป็นคนที่ทำงานโรงงานแถวนี้กันทั้งนั้นแม่เลยอนุญาตให้เรากับน้องไปวิ่งเล่นแถวนั้นได้เรากับเพื่อนๆอีกประมาณ 6-7 ถึงคนและน้องชายตัวแสบก็เล่นกันทั้งวันกระโดดไปมานอนกลิ้งกับที่นอนอ น, นันๆโดยไม่รู้สึกขยักขยัง่งคราบรอยเปื้อนที่ติดอยู่บนเตียงผืนนั้นเลยเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงตอนเย็นประมาณ5้าโมงกว่าๆ ได้มีคุณลุงที่อาศัยอยู่แถวบริเวณนั้นกวาดเศษขยะแล้วเผาไฟแกก็ยืนคุมเปลวไฟอยู่ใกล้ๆข้างที่นอนผืนนั้นจากความสนของเด็กๆอย่างพวกเราทำให้ที่นอนผืนนั้นขาดและมีเส้นใยสีขาวหลุดออกมาเราก็เลยดึงมันออกมาแล้วเผาไฟเล่นอย่างสนุกสนานพอมีคนหนึ่งดึงออกมาเผาเพื่อนคนอื่นๆก็เริ่มทาตามบางเล่นกันอยู่พักใหญ่ ที่นอนพืนนั้นก็ยุ่ยแทบไม่เหลือชิ้นดีลุงแกก็เลยบอกให้เอามาเผาให้หมดใ ย, ยไหมเละ ข, ขนาดนั้นเดี๋ยวถ้ามีลมมามันจะโดนลมพัดจนฟุ้งกระจายไปหมดพวกเราเล่นกับไฟกันอย่างสนุกสนานเวลาก็ผ่านไปจนถึงหกโมงกว่าแม่หลังจากเลิกงานก็เดินลัดข้ามคลองมาเจอพวกเราแล้วเรียกเรากับน้องกลับพวกเราเลยแยกย้ายกันกับเพื่อนเพื่อกลับห้องพัก สภาพของเรากับน้องในตอนนั้นดูไม่ได้เลยจริงๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและกลิ่นตัวเหม็นสาบเอามากๆเพราะกลับถึงห้องเรากับน้องก็อาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็มากินข้าวกินขนมที่แม่ซื้อกลับมาให้แล้วนั่งดูทีวีต่อจนดึกเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนประมาณสักสามทุ่กว่ า, ก, วาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังมาก เราตกใจมากจนต้องกระโดดกอดคอพี่สาวแม่ก็เลยออกมายืนที่ประตูบานนั้นแล้วถามว่านั่นใครมีอะไรหรือเปล่าสักพักก็ได้ยินเสียงตอบ ก, กลับมาเรียกชื่อของแม่เน็ดเนเน็เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูหน่อยเร็วๆวหน่อยเองนี่หน่อยเองแม่รีบเปิดประตูห้องทันทีที่รู้ว่าเป็นน้าหน่อยกับเพื่อนน้าหน่อยนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ ซึ่งแม่ก็ได้ฝากงานให้ทำที่เดียวกันกับแม่วันนี้แกทำโอดึกน้หน่อยกับเพื่อนวิ่งเข้ากอดแม่ในทันทีหลังจากเปิดประตูพร้อมทั้งมีอาการตัวสั่นชีราดกังเกงแถมพูดจาไม่รู้เรื่องแม่ก็ประคองน้หน่อยมานั่งที่หน้าทีวีแล้วค่อยๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้หน่อยกับเพื่อนร้องไห้พูดจาวกไปวนมาว่าผีผีผีผ ส่วนเราเห็นแบบนี้ก็ตกใจแทบตายอยู่แล้วยังได้ยินว่าผีอีกเรากับพี่สาวรีบเข้าไปอยู่ใกล้ๆแม่ทันทีแม่ก็ค่อยๆปลอบน้าหน่อยให้ใจเย็นๆเอ่ยเรียกขวัญแล้วก็บอกให้น้านหน่อยค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้านหน่อยเริ่มสงบสติอารมณ์ได้ก็เล่าว่าขณะที่นานหน่อยเลิกงานมากับเพื่อนเดินข้ามคลองมาเรื่อยๆตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับว่า มีคนกำลังเดินตามหลังอยู่สักพักอยู่ดีๆลมก็พัดแรงขึ้นผิดปกติณนาะหน่อยกับเพื่อนจึงจูงแขนกันแล้วรีบเดินให้เร็วขึ้นระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนปาก้อนหินใส่หญ้ า, ยยาข้างทางซึ่งเป็นเสียงอย่างนั้นตลอดทางที่เดินมาพอเดินมาได้สักพักก็มาถึงกองที่นอนที่ไม่ไฟไม่หมดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ดิความมืดในตอนนั้น ทำให้น้าหน่อยคิดว่าต้องเป็นพี่นิดแม่ของเรามารับแน่ๆเพราะถ้าน้าหน่อยกลับดึกแม่จะไปคอยรับนาอยู่เป็นประจำตอนนั้นน้าหน่อยก็รู้สึกดีใจคิดว่าเจอพี่นิดเลยตะโกนไปว่านิดมายืนทำไมตรงนี้ไม่พูดไม่จากตกใจหมดแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบกลับใดๆยืนก้มหน้าเหมือนเดิมระหวังที่น้หน่อยกําลังเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ก็มีเสียงประตูดังกึกกึกกักกักเหมือนมีอะไรมาผักประตูทุกคนพากันเงียบสงบไปพักหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าลมหรืออะไรมันทำให้บรรยากาศตึงเครียดและน่ากลัวขึ้นไปอีกน้าหน่อยเล่าต่อว่าขณะที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบกลับใดๆเลยน้าหน่อยก็เลยพูดอีกว่ายายาอย่ามาเล่นแบบนี้มันดึกแล้วฉันกลัวหอน้หน่อยเดินเข้าไปใกล้ๆเกือบจะถึงตัว นาหน่อยก็เอื้อมมือไปที่ผู้หญิงคนนั้นแต่สังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีขานาหน่อยช็อกตาตั้งตัวแข็งทื่อในทันทีแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มเงยหน้าขึ้นมาแล้วเอื้อมมือเข้ามาจะจับนาหน่อยเพื่อนของนาหน่อยจึงรีบกระชากแขนนาหน่อยวิ่งแล้วกรีดร้องเสียงดังลั่นจนคนในหอพักได้ยินเสียงก็พากันเดินออกมาดูทุกคนที่ออกมาดูนั้น พอเข้าไปใกล้กล็เห็นเหมือนกับที่นาหน่อยเห็นเหมือนกันหมดต่างพากันวิ่งหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางนาหน่อยกับเพื่อนก็เลยวิ่งเลยห้องเช่าของตัวเองไปหาแม่ทันทีที่นาหน่อยเล่าจบจูจๆไฟก็ดับแม่เราจากที่เป็นเสาหลักปลอบทุกคนไม่ให้หวาดกลัวกระโดดพุ่งออกประตูไปก่อนเป็นคนแรกเลยทิ้งให้เรากับพี่กอดกับนาหน่อยและเพื่อนนา กอดกันกลมพากันร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวในตอนเช้าเจ้าของหอพักที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งก็ได้เจอกับผีผู้หญิงคนนั้นในคืนนั้นด้วยก็รวมระดมทุนกันเพื่อไปทำบุญให้กับผู้หญิงคนนั้นสุดท้ายก็ได้มารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตายตรงที่นอนผื่นนั้นเธอถูกทำร้ายร่างกายและถูกฆ่าโดยสามีของเธอในห้องพักระแวกนั้น ญาติเธอเลยเอาที่นอนที่เกิดเหตุมาทิ้งไว้เพราะเห็นว่าที่บริเวณนี้มีคนเอาขยะมาทิ้งไว้เยอะซึ่งพวกเราก็ไม่รู้เลยก็เลยชวนกันมาเล่นตรงนี้เราอาจจะไปรบกวนหรือทำลายของของเขาก็ได้เลยทำให้เขาต้องออกมาปรากฏตัวหลอกหลอนคนที่ผ่านมาบริเวณ น, นั้นยามดึกในคืนนั้นก็เป็นได้ me <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> 什么事儿？